วันนี้วันศุกร์เรามาฝึกปฏิบัติกันดีกว่าท่านผู้ฟังเราฝึกปฏิบัติ โอเคถ้าเค้าทําความผิดบ้างอะไรบ้างอาจจะคุยรอบๆข้างก็จะจะลดลงทั้งเสียงที่ดัง ในการปฏิบัติในภายในนี้ก็เหมือนกันมันในลักษณะเดียวกันนั่นเราฝึกจิตให้ๆแต่ให้มีที่ตั้งที่ระลึกถึง สิ่งเหล่านั้นดึงไปบางทีเราถูกเสียงมาดึงหูเราไปบางทีถูกเอ่อความกายมาดึงจิตของเราไปแล้วดึงไปแล้วทํายังไงอ้าวถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราชอบเราก็จะลุ่มหลงมัวเมาพัวพัน แล้วก็ถ้าเอ๊ะเราก็ไม่รู้มันเป็นอะไรที่เราจะต้องทําเนี่ยก็คือว่าให้จิตของ ในที่นี้เราใช้กลายของเราในที่นี้เราใช้กายของเรานํามาเป็น จิตคุณไม่เอาไปจากไกลแล้วแต่จิตคุณก็อยู่ที่ผมจิตคุณอยู่ในขนจิตคุณหรือบางที่เราใช้หายใจก็ได้แล้วลมหาย การระลึกนึกถึงตรงนี้คือสตินั่นเองเรามีๆของร่างกายก็ได้ และความคิดต่างๆเข้ามาออกไปน่ะใจที่มานึกถึงลมหายใจ the pressing ที่เราฝึกตรงเนี้ยไม่ใช่การหายใจนะๆอารมณ์หาย เนิร์วว่าตื่นนอนใหม่ๆเอาลมหายใจยาวๆลมหายใจมันยืด 1 2 แต่คือเราไม่ต้องเคลื่อนที่ไปตามลมนะการเคลื่อนที่ไปตามลมเนี่ยก็คือเหมือนกับจิตของเราถูกดึงไปอยู่ดีนะถูกดึงตามลมเข้าตามลมออกแต่ และการเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังพูดถึงการใช้ธรรมะก็ได้และเราระลึก เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําให้เกิดมีในภายในทําให้เกิดมี ทีนี้ลมหายใจที่ที่เรารับรู้ถึงอยู่นี้เนี่ยบางทีบางคนทําไปทํามันอ่อนเบาลงแทบจะไม่มีเนี่ยอ่อนเบา นะให้ให้เราสังเกตจุดที่ว่างๆนั้นต่อ 2 ขวบ 3 ขวบใช่มั้ยมันกําลังดื้อกําลังซน เราไม่ต้องไปทําให้มันแรงขึ้นมาสติอยู่ไปได้นี่คือหมายความว่าสติของ หรือว่าเราไปบังคับจิตให้มันไปคิดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่แต่มันไม่เหมือนกับเวลาที่เรารู้โดยไม่ใช่แล้วเราจิตมันไปคิด นะเราสั่งไม่ได้เวลาที่เราถูกดึงไปเนี่ยเราสั่งไม่ได้เราเผลอไปเราเพลินไปเรา เราจะรู้ได้ด้วยความที่เราน้อมจิตแล้วการพิจารณานี้ก็ไม่เหมือนกับการคิดนะคือบางคนเร เราไม่ได้เห็นตามเป็นจริงเราได้เห็นตามเป็นจริงความ หรือมันเป็นการสมมุติ 2 ส่วนนี้อ่ะคุณน้อมจิตมาได้ จุดที่ 2 ที่ไม่เหมือนกันก็คือว่าเวลาที่เราเราคิดเอาเองอย่างเงี้ยนะนั่นนี่โน่นเนี่ยมันจะไม่ได้ ผลของการพิจารณานั้นจะเป็นไปเพื่อความปล่อยวางนั้น ฤาษีเป็นคนที่เก่งทั้งสมถะวิปัสสนาแต่เค้าก็มีการพิจารณาในระดับ เป็นผู้ที่เจริญทั้งสมถะวิปัสสนาเก 8 เกิดขึ้นตรงนี้แล้วเพราะอะไรต่างๆเหล่า แล้วก็อ่าจิตของคุณถ้าเกิดเป็นสมาธิขึ้นแล้วก็ความคิดนึกใดๆที่เกิด ในทางความเจริญแห่งมรรคทั้ง 8 ทั้งหมดแต่บัดนี้ข้าพเจ้ารับ